50 languages. การสอบถามทางขอโทษค่ะ e m e n t Maaf ได้ไหมคะ ทีุ่สิมรีมด้ต์กสักเดโฮแถวนี้มีร้านอาหารดีๆไหมคะเอเธอิคชังการรสตูเรนท์คิธเถะเลี้ยวซ้ายที่หัวมุมค่ะุสมูร์ตุคบเบหัธมุโต่อจากนั้นตรงไปอีกนิดค่ะผิดทุดสิดดาจต่อจากนั้นเลี้ยวขวา แล้วไปอีกหนึ่งร้อยเมตรค่ะไปร้อยเมตรสัจเจพัเซจาวคุณสามารถไปด้วยรถเมย์ก็ได้ทุซีบัสราหีวิจาสักเดโฮคุณสามารถไปด้วยรถรางก็ได้ทุซีท رام ราหีวิจาสักเดโฮคุณขับรถตามดิฉันไปก็ได้ ทุกสิ่มีเรื่พิเช่ยาสักดียวดิฉันจะไปสนามแข่งฟุตบอลได้อย่างไรคะแมฟฟุตบอลเดอสแตดิวมกีเวจาวาข้ามสะพานไปคะ่ะโปลเดอสปาร์ชโลลอดอุโมงไปค่ะสรังเวียวขับไปจนถึงสัญญาณไฟแดงที่สามค่ะ ท ต, ต่อจากนั้นเลี้ยวขวาตรงถนนแรกค่ะถ้าไปเลต่อจากนั้นขับตรงไปเรื่อยๆผ่านสีแยกถัดไปถเอกทาง่ะดันขรไปือยผ่านสี่แยกถัดไปอนทาค่ะดีันจะบไปนสไนามบิดน้ไอย่าด้อยง่างไรค่ากันะ แมวิธีที่ดีที่สุดคือไปโดยรถไฟใต้ดินสับออกที่สถานีสุดท้ายอัครีสเตชนตักจ้ากรุณาไปที่ w w w b o o k t d e